จิตติยกาคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาจิตติย ก, าากัหนึ่งมุสาวาทวักหนึ่งมุสาวาทศิลาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะกล่าวเทศทั้งที่รู้ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรงสาวัตถี ถามทรงปรารพบใครตอบทรงปรารบท่านพระหัตถกสกยะบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระหัตกะสกยะบุตรเจรจากับพวกดุรถีปฏิเสธแล้วรับรับแล้วปฏิเสธในมุสาวาทศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทรฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทรฐานสามสมุทฐาน คือหเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิต 2. โอมมาสวาทะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะกล่าวเสียสีณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบผู้ภิกษุฉ์าวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิกษุฉ์าวคีทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลดีงามทั้งหลายกล่าวเสียสีภิกษุผู้มีศีลดีงามทั้งหลายในโอมะสวาฏสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐ า, าน 3. เปสุญญาสิกขาบท ถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะกล่าวสอเสียดพิสุณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิสุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิษุชาพคีไปยุแย่ผู้พิกษุผู้บาทม้าง ก, กันทะเลาะกันวิวาทกันในเปสุญยสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบาตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐาน 4. ป่ปทโสธรรมสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุผู้สอนอนุปสัมบันฑ์ให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุชาพาคัคีถามเพราะเรื่องอะไร เพราะเรื่องที่พวกพิสูจ์ชาวพาคัคีสอนผู้อุบาสกให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทในปฐาะะโซธรรมสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ 6. สมุดฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานคือ 1. เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกาย 5. สหเสยสิกขาบท ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับอนุปสัมบันฑ์เกิน2ถึงสมคืนณนที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอาลาวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปนอนร่วมกับอนุปสัมบัณฑ์ในสหเซยสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุดฐานคือหนึ่งเกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 6. ทุติยะสหเสยสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นอนร่วมกับมาตุคามณะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวถี ถามทรงปรารพบใครตอบทรงปรารพบท่านพระอนุรุท ธ, ธะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธะนอนร่วมกับมาตุคามในทุติยสหเสยสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานเป็นเอละกะโล ม, มสมุธฐาน 7. ธรรมเทศนาศิกขาบท ถามทรงบัญญัติปาจิตีแกภิกสุผู้แสดงธรรมแก่มาตุคามเกินหถึงหคคำณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีแสดงธรรมแก่มาตุคามในธรรมเทศนาสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นปะทะโสธรรมสมุทฐาน 8. ผูู้ตาโรจนาสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุผู้บอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบัติณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบพวกพิสุชาวฝั่งแม่น้ำวัคุ ม, มุธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิสุชาวฝั่งแม่น้ำวัคุ ม, มุธากล่าวอดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกครหัดฟังในภูตาโรจนันะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสามสมุธฐาน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 ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวคีบอกอาบัติช่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสัมบัติในทุตุนลาโรจานาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานเป็นอธินนาธานสมุทฐานสิบ ปทวีคณะนสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแกภิกษุผู้ขุดดินณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอาลวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิษุชาวเมืองอาลวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิษุชาวเมืองอาลวีขุดดินในปทวีคณะนสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานมุสาวาทวรักที่หนึ่งจบรวมศิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรกห 1. มุสาวาทศิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเท็จ 2. โอมัสวาทศิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเสียสี 3. เปสุญญศสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวส่อเสียด 4. ี่ปทัสโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยการสอนให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทหสหเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกัน 6. ทุติยะสหเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่สอง 7. ธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรม 8. ภูตาโรจนาสิกขาบท ว่าด้วยการบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงเก้าทุตุลลาโรจนะศึกขาบทว่าด้วยการบอกอาบาัาช่วยหยาบสิบปัทวีคณะนสึกขาบทว่าด้วยการขุดดิน ภูตคา ม, มาวัชหนึ่งภูตคามสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตเพระพระภูตคามณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอาลวีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุชาวเมืองอาลวีถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชามืออรวีตัดต้นไม้ในภูตะคามาศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 2. อ, อัญญาวาฏกศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีเพราะนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเ ก, กลืน่นเพราะทำสงให้ลำบากณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรมโกสามี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระฉันนะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะถูกไตส่สวนอาบัติถ้ำกลางสง์กลับนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนในอัญญาวัฏกะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานส อุชาปนักสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติเพราะกล่าวให้ผู้อื่นเพ่งโทษเพราะบ่นว่าณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครื้ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเมติยะและพระภูมิมาจฉกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภูมิมาจฉกะกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษท่านพระทัพพระมลบุตร ในอุชาปนักกะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสมสมุธฐาน 4. ป่ธมนะเสนาสนะศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติไกพิกษุผู้วางเตียงตั่งฟูกหรือเข้าอี้ของสงในที่กลางแจ้งแล้วไม่เก็บไม่บอกมอบหมายแล้วพากันจากไปณที่ไหน ตอบทรงบัญญัติณากรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปรารกภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจัดตั้งเสนาสนะของทรงในที่กลางแจ้งแล้วไม่เก็บไม่บอกมอบหมายและพากันจากไปในปฐมเสนาสนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัตบิบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาดหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกรถิเ น, นสมุทฐาน 5. ทุติยเสนาสนาศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ปูที่นอนในวิหารของสง์แล้วไม่เก็บไม่บอกมอบหมายแล้วจากไปณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุสัตตะสวคี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสษจสัตระสวัคคีปูที่นอนในวิหารของสงแล้วไม่เก็บไม่บอกมอบหมายแล้วพากันจากไปในทุติยเสนาสนาศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกะถินนสมุทฐาน 6. อนุปคัชชะศึกขาบทถาม ทรงบัญญัติปลาจิตีและภิกษุผู้รู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารคงสงก่อนณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปรารกผู้ภิกษุชาพกคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่วูภิกษุชาพาคีเข้าไปนอนแทรกแซงภูภิกษุผู้เทระ ในอนุปปัดชะศึกษาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาเนิ ก, กัตนะศึกษาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้โกรธไม่พอใจฉุดล่าภิกษุออกจากวิหารของสงฆ์ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้พิกษุชาพรคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสุชาพรคีโกรธไม่พอใจชุดลภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารคงสงในนิ ก, กะทะนะัทนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐาน8 เวหาสักุติศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้นั่งบนเตียงหรือบนตังอันมีเท้าเสียบนงกุดีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารคใครตอบทรงปรารคภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งนั่งอย่างแรงบนเตียงที่มีเท้าเสียบบึงกุดีชั้นลอยในวิหารของสงฆ์ในเวหาสะกุติสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานคือหนึ่งเกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา9 มหารกกะวิหารสึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ดำเนินการมุงหลังคาวิหารสองถึงสามชั้นแล้วดำเนินการเกินกว่านั้นณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกกุงโกสามผีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระช น, นะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะให้มงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายหลายครั้งวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาในมหาลักกะวิหารสิกขาบทนี้มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทรฐานหสมุทฐาน 10. สิบสปานกะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิต รถหญ้าหรือดินณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณเมืองอาลาวีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาลาวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุชาวเมืองอาลาวีรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรถหญ้าหรือดินในสัปปานกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ6สมุทฐานเกิดด้วยสมุฐานสามสมุทฐานภูตะคามวักที่สองจบรวมศิกขาบทที่มีในภูตะคามวักหนึภูตะคามศึกขาบทว่าด้วยการพระภูตะคาม 2. อัญญวาธกาศึกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อน 3. อุชาปนากาศึกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ 4. ี่ปฐมเสนาสนสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนาข้อที่หนึ่งธุติยะเสนาสนสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนาข้อที่สองอนุปคัดชะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง 7. นิ ก, กนคัถะสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออก 8. เวหาสะกุติสิกขาบทว่าด้วยกุดีชั้นลอย 9. มหัละกะวิหารสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่ 10. ส0บัปานกะสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิต 3. โอวาทวักหโอวาทสิกขาบท ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งสัง่งสอนภิกษุณีทั้งหลายณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินากรงสาวัตถีถามทรงปรารคใครตอบทรงปรารคพว้ภิกษุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ผู้พิสูจชาวคีไม่ได้รับแต่งตั้งสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายถามในโอวาทศิขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติและอนุปัปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในโอวาทศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปนปณะบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐาน คือหนึ่งเกิดทางวาจาไม่จชเกิดทางกายไม่ใชเกิดทางจิต 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่จชเกิดทางกาย 2. อ, อาจทัษคตะศสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้เมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้วยังส่องสอนภิกษุนี้ทั้งหลายอยู่ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะครงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบท่านพระจุลปันถกถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระจุลปันถกเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้วยังส่องสอนภิกษุณีทั้งหลายอยู่ในอัถถังคตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานหนึ่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานเป็นปทโสธรรมะสมุธฐาน 3. พิขูนู ป, ปัสยะสิกขาบท ถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้เข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักแคว้นสักกะถามท ร, ารทรงปราบรบใครตอบทรงปราบรบผู้ภิกษุฉะพัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุฉะพัคีเข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลาย ในพิคุณูปัสยศิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถินญะสมุทฐาน 4. อามิสสะศิขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้กล่าวว่าภิกษุผู้เถระทั้งหลายสังสอนภิกษุณีทั้งหลายเพราะเห็นแก่อามิสณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิษุชาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุชาพคีกล่าวว่าภิษุผู้เถระทั้งหลายสั่งสอนพิษุณีทั้งหลายเพราะเห็นแก่อามิตในอามิตศาสขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุฐานสมสมุฐาน 5. จีวรธานศสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้ให้จีวรแก่ภิกษุนี้ผู้ไม่ใช่ญาติณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ให้จีวังแก่ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติในจีวรธานาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญตัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 6. กจีวรสิปณะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้เย็บจีวรงให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติณที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีเย็บจีวรให้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติในจีวรสิปณะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหสมุธฐาน7็ สังวิธานสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแครภิกษุผู้ชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีณที่ไหนตอบทรงบัญญัดนากรงสาวัตถีถามทรงป ร, รารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวคีชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณี ในสังวิธานศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 4. เกิดทางกายวาจากับจิต แปดนาวาพิรุหณะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติกับภิกษุผู้ชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลําเดียวกันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุฉาวพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉาวพคีชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลําเดียวกัน ในนาวาพิรูหนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสี่สมุทฐาน 9. าปริปาจิตตสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ฉันบินดบาบ ท, ที่ภิกษุนี้แนะนำให้จัดเตรียมณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชคร ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัตถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเทวทัตรู้อยู่ชั้นบินธบา ท, ที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมในปริปาจิตตสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา สิระหนิสัชชะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้นั่งในที่รับลาภภิกษุณีสองต่อสองณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีนั่งในที่ลาภภิกษุณีสองต่อสอง ในโรโขนิสสะชสศขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิเชื่เกิดทางวาจาโอวาทวรักที่สจบรวมเสกขาบทที่มีในโอวาทวรกห 1. โอวาทัสเสขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี 2. อาทางังคตะเสกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว 3. ภมพิคุณูปสัสยศึกขาบทว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก 4. อามิาสาศึกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิห้าจีวราธานะศึกขาบทว่าด้วยการถวายจีวร 6. กจีวรสิพณะศึกขาบทว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณี เสังวิธานสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกัน 8. นาวาพิรุหณะสิกขาบทว่าด้วยการโดยสารเรือลําเดียวกัน 9. ปริปาจิตตะสิกขาบทว่าด้วยการฉันบินทบา ท, ที่ภิกษุนีแนะนําให้จัดเตรียม 10. บระโหนิสัชชะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับ โฉนนวัชหนึ่งอวสถะปินทศิขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้อยู่ฉันพั ต, ตหารในที่พระแรมเกินเกลว น, นึ่งมือ้อณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราลบคุคภิกษุฉาวี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิสูจนฉพาพัคีอยู่ชั้นพัตาหารในที่พักแรมเป็นประจำในอาวสัถปินทศสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุฐานแห่งอาบัตหกสมุทานเกิดด้วยสมุฐานสองสมุฐานเป็นเอละกะลมะสมุทาน 2. ขคณะโภชนะสิกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตตีพราะฉันคณะโภชนะณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครื้ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัตถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเทวทัตพร้อมด้วยบริษัทธพากันออกปากขอพระทหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันในคณะโภชนะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ เพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมาสมุทฐาน 3. าปรัมปราโพชาณสขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีพระชายาปรัมประโภชนะณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูป ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับนิมนต์ไว้ในที่หนึ่งแล้วไปฉันในอีกที่แห่งหนึ่งในปรมัมประโภชนะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสี่พระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกระถิเ น, นสมุทฐาน 4. กาเนมาตุสึกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตีแกรภิกษุผู้รับข น, นมเต็ม 2-3 ถึงบาทแล้วรับเกินกว่านั้นณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับโดยไม่รู้ประมาณในการนะมาตุสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน 5. ปฐมปวารณาสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีใครภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วฉันของคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเด่นณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูป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 ทรงบัญญัติปาจิตเตียแก่ภิกษุผู้นำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดนไปประวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามพระทหารแล้วณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินากรงสาวัตถีถามทรงปรารรบใครตอบทรงปรารรภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งนำของฉันที่ไม่เป็นเดน ไปปรวรณาภิกษุผู้ฉันแล้วบอกห้ามปตาหารแล้วให้ฉันอีกในทุติยปรวรณาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 7. วิกาลโภชนะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุผู้ฉันของเคี้ยวหรือของฉันในเวลาวิกาณที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติเนครุงราชคฤห์ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุสัตตะสวัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุสัตตะสวัคีฉันพัตาหารในเวลาวิการในวิการะโภชนาสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐาน เป็นเอละกะโลมะสมุทฐาน 8. สันนิธิการกะศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติไกภิกษุผู้ฉันของเคี้ยวหรือของฉันที่เก็บสะสมไว้ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระเวรทศศีสะถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระเวรฐาศีสะชันโภชนะที่เก็บสะสมไว้ในสันนิธิกอกระกะศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานเป็นเอละกะโลมสมุธฐานเก้าปณีตะโภชนะศึกษาบทถาม ทรงบัญญัติปลาจิตเตี๋ยไกรภิกษุผู้ออกปากขอโภชนะอันประณีตมาเพื่อตนแล้วฉันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปลารบผู้ภิกษุชาวฟักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุชาพฟักขีออกปลาขอโภชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉัน ในปณีตะโภชนะสักขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสี่สมุธฐาน 10. ท่านตะโปณสักขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตติเกศภิกษุผู้กลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลําคอณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งเกลื่นอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอในทันตะโปนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติ 6. สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมาสมุทฐาน โพชนวัคที่4จบรวมศึกษาบทที่มีในโภชนาวัคหนึ่อวสถตปินท h a ศึกขาบทว่าด้วยการฉันปัตถารในที่พระแรม 2. คณะโภชนะศึกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโภชนาสามปรามประโภชนะศึกขาบทว่าด้วยการฉันปรามประโภชนะ 4. การณมาตุศึกขาบท ว่าด้วยมมารดาของนางกานา 5. ปฐมปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพัตฐารข้อที่หนึ่งหทุติยะปวารณาสิกขาบทว่าด้วยการบอกห้ามพัตฐารข้อที่สองเวิกาลโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล 8. สันนิธิการกะสิกขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะ 9. ปณีตะโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันปราณีต 10. ทันตะโปนาสิกขาบทว่าด้วยการรับประเคณอาหารนอกจากน้ำและไม้ชมระฟัน 5. อาเจลกะวัก 1. อาเจละกะึกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเ จ, จ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุผู้ให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่อาเจละกะปริพาชกหรือปริพาชิ ก, กาด้วยมือตนณนที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระานนท์ ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอาณนณ์แจกขนมให้ปริพาชิกาคนหนึ่งสองชิ้นด้วยสําคัญว่าเป็นชิ้นเดียวในอเจลกะสึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานเป็นเอลกะโลมสมุธฐาน 2. อ, อุยะโยชนะสึกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้กล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วให้ทายยกถวายหรือไม่ให้ทายยกถวายแก่ภิกษุนั้นแล้วนิมนต์กลับณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทสักยะบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันะสักยะบุตรกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วไม่ให้ทายกถวายแกภิกษุนั้นแล้วนิมนต์กลับในอุยะโยชนะสึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุฐาน 3. ส, น ส, สโภชนะสักขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตเตี๋ยแก่ภิกษุผู้เข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินากรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทสักดยาบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทสักดยาบุตรเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคน ในสัโพชนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาสระโหปฏิชนะสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีแกภิกษุผู้นั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันท h a สักยะบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนัน tha สักยะบุตรนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามในรหโหปติฉันนัสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐ า, านังอาบัตหกสมุฐานเกิดด้วยสมุฐานหนึ่งสมุฐานเคือเกิดทางกายกับจิต ไม่เชื่เกิดทางวาจา 5. ้ระโหนิสัชสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตตีกับภิกษุผู้นั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทสักยะบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทสักยะบุตร นั่งในที่รับกับมาตุคามสองต่อสองในรโหโหนิสัต ช, ชะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่เชื่อเกิดทางวาจา 6. จาริตสิกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตีกับภิกษุผู้รับนิมนต์ไว้แล้วมีพัตฐารอยู่แล้ว ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพัตตาหารหรือหลังเวลาฉันพัตตาหารณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุปนันทาสาคยาบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันทสาสักยบุตรรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัตตาหารอยู่แล้ว ยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันปาตาหารหลังเวลาฉันปาตาหารในจาริตสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสพระอนุบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานสองสมุธฐานเป็นกถินญะสมุธฐาน 7. มหานามสึกขาบทถาม ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ออกปากขอเพศสัตว์เกินกว่ากำหนดนั้นณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินาควันสักกะถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุชาวพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเจ้า ม, มหานามสากยะขอร้องผู้ภิกษุชาวพคีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนก็รอไม่ได้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 ถามทรงบัญญัติปาจิตเตี๋ยไก่ภิกษุผู้อยู่ภาคแรมในกองทัพเกินกว่าสามคืนณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุชาวคีอยู่ภาคแรมในกองทัพเกินกว่าสามคืนในเสนาวาศึกขาบทนั้น มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมสมุทฐาน 10. อุยะโยธิกะศึกขาบทถามทรงบัญญัติปาจิตเตี๋ยไกภิกษุผู้ไปสู่สนามรบณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารถใครตอบ ทรงปรารบพวกพิสุชาวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิกษุชาภคีไปสู่สนามรบในอุยะโยทิกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมสมุทฐานอาเจละกะวักที่หจบรวมสิกขาบทที่มีในอาอเจละกะวัก หอเจลกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลืสอ 2. อุยะโยชนะสิกขาบทว่าด้วยการส่งกลับ 3. สาสโพชนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคนสองคน 4. ระโหปฏิชนณสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับที่มีเสียงกำบัง 5. ้ระโหนิสัชชนะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับ หจาริตสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไป 7. มหานามสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามสักะยะ 8. ปอุยยยุตเตเสนาสิกขาบทว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกครบ 9. เสนาวาสิกขาบทว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ 10. อุยโยทิกะสิกขาบทว่าด้วยการไปสู่สนามรบ